สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Innovation for Life นะคะพบกับดิฉันกุลกนิษฐ์ทองเงาเช่นเคยค่ะที่ FM 8ปดสิเมิกอเฮาส์ส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตนะคะสำหรับ Innovation for Life ในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพูดคุยกันและทําความรู้จักกับบล็อกทางเดินในสวนนะคะซึ่งเป็นผลงานจากโครงการกระกวด โครงการส่งเสริมนวัต ก, กรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนค่ะซึ่งเราจะพูดคุยกับอาจารย์วีรศักดิ์หนูเจริญค่ะซึ่งท่านเป็นอาจารย์สาขาวิชาวิวศวกรรมเครื่องจกกักรกลเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมาทําความรู้จักกับบล็อกทางเดินในส่วนค่ะศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999รายการ Innovation for Life ค่ะ Innovation for Life ในวันนี้ขอแนะนำอาจารย์มีรสาหมู่เจริญนะคะ ซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรเกษตรคณะวิทยาวิศวกรรมศาสต ร, ร์ ม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเราจะพูดคุยสอบถามอาจารย์กันนะคะเกี่ยวกับรอกทางเดินในสวนที่อาจารย์ได้พัฒนาขึ้นสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับทุนเมืองรายการครับและทุกสท่านครับ ค, ค, ค่ะอาจารย์คะรอกทางเดินในสวนนี้มันคืออะไรอ่ะค่ะรอกในเทิงสวนก็คือ นวตัต ก, กรรมอันหนึ่งที่เกิดมาจากขยะพลาสติกประเภทพวกถุง ก, ก๊อแก๊บถุงที่ใช้ครั้งเดียวประเภทนี้ครับโดยใช้หลักสามาครับอาจารย์ขาแล้วแล้วจะจะเริ่มต้นถานยังไงดีเนาะคือบล็อกทั่วไป <c oughs> กับบล็อกที่อาจารย์พัฒนาขึ้นเนี่ยมันต่างกันยังไงก่อนอื่นคงต้องขออนุญาตให้อาจารย์ได้ได้พูดถึงบล็อกทั่วไปที่เขาได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้ทาขึ้นมาก่อนนะคะ กับบล็อกที่ออได้พัฒนาขึ้นนะค่ะค่ะเป็นเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับว่าบล็อกทางเดินโดยทั่วๆไปก่อนหน้าเนี้ยกับณปัจจุบันที่ผมประดิษฐ์ขึ้นเนี่ยมันมันเกิดจากอะไรนะฮ ะ, ะไอ้บล็อกทางเดินที่เป็นแบบเดิมเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าเป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต์ทรายเป็นหลักหรือหินกรวดเป็นหลักแล้วก็มาอัดขึ้นรูปโดยกระบวนการก็คือทางความเย็น นะครับซึ่งเขาก็หลออแบบขึ้นมาเป็นเป็นบล็อกทางเดินตามรูปแบบตามแมททิมไว้ง่ายเลยนะครับลักษณะก็จแบบง่ายๆนะครับส่วนรูปร่างรูปร่างของมันก็อยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาไปว่าจะเป็นตัวหนอนก็ดีไว้ปูพื้นทางเดินฟุตบากตามท้องถนนหรือว่าทางเดินในสวนก็ดีลักษณะแบบนี้ส่วนของผมเนี่ยจะแตกต่างจากทางด้านบล็ อ, อกปูนซีเมน คือผมจะใช้เป็นลักษณะของปูนพลาสเตอร์ซึ่งปูนพลาสเตอร์เนี่ยเป็นตัวส่วนผสมรองส่วนผสมหลกัหลกๆเลยก็คืออ่าผมใช้เศษวัสดุที่เหลือใช้ประเภทถุงค้าแคปถุงพลาสติก ท, ทั่วไปแล้วก็พวกกลมของอาหารอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วในส่วนของอ่อ คืออันเก่าโอเคแหละเราทุกคนก็ยังยังไม่ได้เคยใช้บล็อกที่อาจารย์ได้พัฒนาขึ้นเล น, นะคะปกติคนคที่ทำสวนหรืออะไรหรือว่าเป็นทางเดินเนี่ย ก, ก็ใช้บล็อกแบบเดิมทีนี้ถ้าจะถามว่าในการพัฒนามาเนี่ยคะ่ะคุณภาพมันนะคะ ม, มันเทียบกันไดส้สักประมาณเท่าไหร่ยังไงคะอาจารย์โอเคในในส่วนของเรื่องผมจะเทียบให้ฟังทางด้านกายภาพนะครับใน บ, บล็อกแบบเก่าเลยเนี่ยจะ ค่อนข้างแข็งแรงด้วยองค์ประกอบทางด้านสมบัติของทางด้านปูนซิเมนและทรายนะครับอันนี้คือข้อดีของมันก็คือแกร่งแข็งนะครับส่วนข้อเสียเลยก็คือมีน้ําหนักเยอะเวลาทําการเอาไปประกอบขึ้นรูปเลยเนี่ยก็ต้องใช้แรงคนเยอะแยะเลยนะครับส่วนนวัตรกรรมของผมเนี่ยมันลดเรื่องของอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของน้ําหนักมันลดลงไปถึง 50% เขาด้วยส่วนผสมของทางด้านไม่ใช่ทรายแต่เป็นทางด้านพวกพลาสติ ก, กนะครับส่วนทางด้านความแข็งแรงการขึ้นโลบเลยเนี่ยแน่นอนเลยว่าย่อมน้อยกว่าในส่วนของ <Hey. S 1> ทางด้านบล็อกแบบเก่านะครับส่วนบล็อกทางเดินเลยเนี่ยถามว่าเหี่ยวแล้วแตกไหมอ่าการันตีได้เลยครับว่าทั้งนี้อยู่ที่เราจัดรูปร่างของมันว่าจะให้หนาหรือบางแค่ไหนก็ย่อมได้ แล้วเราก็ไปทําการทดสอบ ข, ขึ้นรูปตามหน่วยงานที่เขารับรองมาตรฐานโดยทั่วไปนะครับค่ะโอเคเราก็พอเข้าใจแล้ว น, นะคะว่าล็อกทั่วไปที่เขาผลิตขึ้นเนี่ยก็ประกอบด้วยฟุ้กสายฟุ้กวดก็จะมีความแข็งแกร่งมีความแน่นหนาแต่ว่ามันมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะส่วนนวัตกรรมที่อาจารยพัฒนาขึ้นเนี่ยก็นํามาจากเรียกว่าเอาเศษขยะเศษโฟมเศษขยะพลาสติกที่เขากําลัลงลนระลงกันอยู่ในขณะเนี้นะคะว่า ลดการใช้อลดการใช้ถุงพลาสติกหรือว่าโฟมต่างๆรวมถึงปูนปูนพลาสเตอร์ใช่ไหมคะและว้วก็จะกำไรมีสารพัฒนาขึ้นทีนี้ข้อดีของมันสรุปอีกสักครั้งหนึ่งคือน้ําหนักเบาควาแล้วก็ส่วนสําคัญคือสามารถกําจัดขยะพลาสติกและก็เศษโฟมเหล่านี้ได้ด้วยเนาะชี้ชี้ที่เห็นง่ายๆชัดเจนเลยอืมใช่ครับค่ะส่วนความแข็งแรงอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับอ่า กระบวนการจัดการนํามาวาง น, า น, นํามานําเรียกว่าจัดเรียนใช่ไหมคะก า, ารย์อันนี้ก็ต้องอืวิธีการอันนี้ก็ต้องว่าอีกทีนึง อ, อันนึงอาจารย์คะทีนี้ขอสอบถามถึงกระบวนการค่ะการผลิตหรือว่าประดิษฐ์หรือว่าพัฒนานะวัตกรรมบล็อกที่อาจารย์พัฒนาขึ้นจากเศษวัสดุต่างๆก็คือพลาสติกเศษโฟมแล้วก็ปุนปั้นเตอร์อันนี้นะคะอยากให้อาจารย์สรุปอีกสักครั้งหนึ่งว่า วัสดุที่มาประกอบเป็นบล็อกทางเดินในส่วนที่อาจารย์พัฒนาขึ้นประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนเริ่มต้นจากตรงไหนอย่างไรเอาที่อาจารย์พอพอจะเปิดเผยข้อมูลได้นะคะพอยินดีครับเพราะว่าในใ น, ในความคิดของผมเนี่ยต้องการเปิดเผยเป็นสาธารณะเพื่อชุ ม, ช, มชนทั่วไปที่สนใจรวมทั้งคนพิการคนชราก็สามารถหาจะเป็นไรายได้เสริมได้นะครับทีนี้เริ่มต้นจากที่ว่ากระบวนการเลยเนี่ยหนึ่ง ของผมเนี่ยจะทำการคัดแยกประเภทของถุงพลาสติกและโฟมก่อนโดยทั่วๆไปนะครับท่านวิการท่านทุพพเดือนน ะ, นะครับคือลักษณะแบบนี้นะครับก็คือว่าหนึ่งเราจะต้องทราบประเภทของถุงพลาสติกและโฟมก่อนว่ามันเป็นโฟมชนิดไหนนะครับหลังจากนั้นเพลเนี่ยพอเราแยกอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทำการล้างและทาความสะอาดซึ่งขั้นตอนของโฟมของอาหารก็ดี หรือถุงก๊อกแก๊ก็ดีหรือถุงที่ใส่ถุงกับข้าวก็ดีนะครับมาล้างทำความสะอาดก็เอาไขมันออกก่อนเนี่ยที่จริงแล้วนะครับโฟมพวกกล่องอาหารเนี่ยมันมีประเภทเดียวที่เราเห็นนะทั่วไปมันจะใช้เนื้อวัตถุดิบประเภทเดียวกันนั่นก็คือโพลีไซเดนโฟมนะครับโพลีไซเลนโฟมตัวนี้เลยเนี่ยมันจะน้ำหนักเบานะครับจะมีปัญหาในเรื่องของการกาจัดอยู่แล้ว ส่วนถุงค็อปแกลบโดยทั่วๆไปนะครับตามห้างเวลาไปซื้อของเนี่ยจะมีพวกท็อปบ้างบิกซีบ้างอันนี้ก็คือประเภทหนึ่งถ้าเป็นถุงขนมที่ว่าเหนียวๆใสๆนี่ก็อีกประเภทหนึ่งนะครับเนี่ยเราก็มาทําการคัดแยกให้เห็นอย่างชัดเจนก่อนว่าเออเวลาเราจะเอามาทําการหลอมด้วยความร้อนนะมันจะได้ติดกันครับนี่คือมีคือความเหมือนๆกันต่อมานะครับเราก็ทําการโดยเข้ากระบวนการย่อยครับ ย่อยให้มีขนาดเล็กลงอาจจะเป็นเท่าที่เราทําได้นะครับอย่างเช่นเราจะใช้กรรไกตัดก็ได้หรือว่าเราจะไปใช้เครื่องปัดอะไรก็ได้ปั่นบดพวกน้ําผลไม้ปัน่นให้มันย่อยมีขนาดเล็กลงอ่ะนะครับทีนี้หลังจากนั้นปุ๊บเราก็นํามาส่วนผสมกันส่วนผสมในที่นี้เนี่ยเราจะเอาโฟมมาหนึ่งส่วนเอาถุงพลาสติกมาหนึ่งส่วนแล้วก็เอาปูนพลาสเตอร์มาหนึ่งส่วนผสมกับน้ำในอัตราส่วนที่ที่เท่ากัน เอามาคุกเขาให้เข้ากันนะครับแล้วก็หล่อลงไปในแบบที่เรากําหนดไว้ครับซึ่งนั่นก็คือที่ผมออกแบบไว้ไงมันจะเป็นบล็อกทางเดินในสวนครับออหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือว่าถ้าเราชอบสี ส, สันสวยๆเราก็มาทําการเพทนสีก็ได้บางทีแล้วท่านผู้ฟังอาจจะมองว่าเ อ, อ๊ะมันบล็อกในสวนอย่างเดียวได้เหรอไม่จําเป็นครับถ้าท่านมีทางด้านมีความชำนาญทางด้านว่าภาพศิละปะ ท่านอาจจะท<ม>ําเป็นสติ๊กเกอร์แปะแล้วก็ติดข้างขวาก็ยังได้อีกครับนี่แหละครับคืขั้นตอนโดยทั่วๆไปครับค่ะแต่ขั้นตอนแรกนี่ต้องบอกว่าเป็นขั้นตอนที่เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าขั้แยกขยะเพราะปัจจุบันบ้านเร า, า, านี่ถ้าเป็นการกรีไซเคิลเขาบอกว่าทักษะพิจัยเนาะอาจารย์เนาะในการแยกขยะส่วนมากเราขนาดเรามีถังเอาไว้เนี่ยขยะอันตรายขยะแห้งขยะรีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทุก อ, อย่างไปวงรวมกองกันหมดเลยอาจารย์ใช่ครับเก็ตั้งก็คงต้องช่วยกันลนระลงครับลงอย่างเดียวยงตัลงอย่างเดียวไม่พอครับผมพอที่จะทราบสาเหตุแล้วว่าทําไมถึงเราลนระลงกันแล้วจากบ้านในในครัวเรือนแล้วเนี่ยก็ไม่ประสบความสําเร็จไปที่เออะไรนะฮะพวกเขตต่างๆเนี่ยเขาจะมีรถขยะมารับตอนเช้าผมเองผมก็สังเกตเห็นนะครับ คือผมอุตส่าห์แยกประเภทผมแล้วแยกขยะมีปิ๊แล้วแม่ขยะค้างๆเศษอาหารก็แล้วแต่ทุกอย่างเลยเนี่ยมันไปรวมอยู่ในรถคันเดียวกันซึ่งเนี่ยผมกเลยนะว่าใช่ซึ่งในความคิดเนี่ยผมมองว่าถ้าจะแยกจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องแยกจากที่บ้านเลยนะครับรยกตัว อ, อ, อย่างอย่างเช่นพวกเศษอาหารเนี่ยปกติในบ้านผมอาทิตย์หนึ่งไม่สกิกว่าสามสิบกิโลนะครับ ผมผมผมใช้ที่ขุดหนุมแล้วก็นั่งเบอร์แล้วก็แยกถุงออกมาแล้วก็มาใช้งานแล้วถ้าผมมีความคิดที่อยากจะประดิตเครื่องเลยเนี่ยผมก็จะทำบล็อกทางเดินบ้างทำเป็นตัวตกแต่งอุปกรณ์ในสวนบ้างอะไรเนี่ยครับลักษณะอย่างนี้ ท, ทั่วไป <c oughs> ครับ <bureaucracy> ก็ที่ที่ค่ะที่ชุนอาจารย์คุยเรื่องนี้เพราะว่าก็ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยในการช่วยแบบค่อยๆกระจายกันไปว่าเวลาที่อยากแยกหน่อยก็ดีอะไรประมาณนี้นะคะค่อยๆค่อยๆค่อยๆทําค่อยๆพูดค่อยๆคุยอะไรค่อยฝึกนิสัยกันไปเรื่อยๆอาจจะฝังสมไปตั้งแต่แบบค่อยๆกันปลูกฝังนะคะเพราะว่าบ้านเราเพิ่งตื่นตัวน่าจะห้าปีประมาณเนี้ยน่าจะสี่ห้าปี ได uh huh. ใ้ในเรื่องของการแยกขยะในเรื่องของการแบบลดการใช้ถุงพลาสติกที่เยอะๆก็เห็นพูดคุยหรือว่าเอดนโยงกันก็ประมาณปีนี้เนาะอาจารย์เนาะ uh huh. แต่เนี่ยงานของอาจารย์เนี่ยมันแสดงถึงในเรื่องของได้นวัตกรรมใหม่ในเรื่องของการลดการใช้ไม่ใช่ลดสิในเรื่องของการนําขยะที่ที่เป็นเศษต่างๆเหล่าเนี้เศษถุงพลาสติกก็ดีเศษโฟมก็ดีเนี่ยนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้แต่นี่อย่างหนึ่งท uh ี huh. ่อาจารย์บอกอะค่ะว่า งานของอาจารย์เนี่ยสามารถส่งเสริมเป็นอาชีพยยให้กับคนที่อยากจะประกอบอาชีพมีรายไ ด, ได้มันทำได้ขนาดนั้นเลยแหละคะอาจารย์ในความคิดผมนะครับในฐานะวิศวกรคนหนึ่งเนี่ยโอเคอย่างแรกเลยผมยอมแล้วว่าในเรื่องของศิลปะเนี่ยผมก็ไม่ค่อยถนัดนักแต่โดยทั่วๆไปอย่ายงลืมนะครับว่าวิศวกรเนี่ยก็มีทั้งศาสตร์แล้วก็ต้องมีทั้งศิลป์ด้วยนะครับมันถึงจะประกอบกันได้นะครับเพราะว่าผมมองผมมองเลยว่าเราเรียนสถาเดียวเนี่ย มันมันไม่ได้อะไรจับสังคมหรอกครับนอกนจอากว่าเราจะเป็นเขาเรียกว่าเฟืองตัวเล็กๆในสังคมเนี่ยเพื่อที่จะทําให้เขาเห็นว่าทุกคนทําได้ครับถ้าคิดอยากจะทําแม้กระทั่งเรื่องการแยกย่นนางครับค่ะอาจารย์ค่ะแล้วแล้วงานนวัตกรรมที่จะพัฒ น, นาขึ้นเนี่ยเรียกง่ายๆเลยอะว่าบล็อกทางเดินในสวนเนี่ยคะ่ะแน่นอนแหละว่าตอนนี้มันเผยแพร่ออกไปแล้วแล้วฟิตแบกกลับมาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ อ่าฟีดแบ็กกลับมายังยังอยู่ในปริมาณน้อยอยู่ครับเพราะโดยยืนยันผลก็คือว่าเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงก็เป็นส่วนใหญ่ อ, อ, อย่างแรกเลยนะครับเราอะ่ะจะต้องไปประชาสัมพันธ์แล้วก็ไปไปสอนวิธีเขาว่าทำอย่างไรทีนี้สอนอย่างเดียวไม่ได้นะครับการที่ผมทำบล็อกทางเดินขึ้นมาเนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อว่านอกจากทางด้านเกี่ยวกับลถสิ่งเอ่อคาร์บออะไรนะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว เราจะเองเราจะต้องทำทำเครื่องทำอุปกรณ์รองรับกับ ต, ตรงนั้นด้วยเหมือนกันซึ่งจะต้องราคาไม่แพงแล้วก็หาซื้อได้ง่ายหรือว่าทำเองได้ง่ายครับทุกอย่างทำเองได้เลย ค, ครับพวกนี้ครับค่ะแล้วแนวทางต่อจากนี้อาาจรย์มีการวางแผนอย่างไรบ้างก็เป็นคำถามที่ดีเลยครับผมวางสเตปไว้ว่าสิ่งที่ผมทำตรงนี้ยอมรับเลยครับว่าผมทาด้วยมือด้วยมือทีนี้ ผมจะรู้แล้วแหละ ว, ว่าขั้นตอนต่อไปที่ว่าถ้าไม่ต้องใช้ใช้คนทาเนี่ยเราจะเอาเครื่องมาแทนที่นั่นคือสิ่งที่เราจะทําทําต่อไปครับแล้วก็อยากจะเอาไปลองในที่ชุมชนที่เขาต้องการยินดีเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราทําการแยกอย่างเดียวไม่พอแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาไปทําการทําเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้อีกด้วยเครื่องที่เราทําอย่างง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยนะครับค่ะ อาจารย์ค่ะแล้วในส่วนของอผลงานที่อาจารย์ได้ทําเนี่ยค่ะทราบมาว่าได้ได้เข้าร่วมกระกวดอยากให้เล่าตรงนี้ฟังนิดนึงนะคะ่ะอ๋อเอาเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับเริ่มมาจากตรงที่ว่าเมื่อปีที่แล้วผมก็ได้ส่งโครงการกับอกรมส่งเสริมสิ่งวัคคุณภาพสิ่งแวดล้อมอรอกระทรวงทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปีที่แล้วเนี่ยผมได้ทำเครื่องจากประเภทที่ว่าทําถาดเกษตร นะครับจากผักตบชาวาเครื่องหนึ่งแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการทำเครื่องย่อยตัดผสมผักตบชาวากับปุ๋ยอินทรีย์ครับซึ่งสองรางวัลเนี่ยได้ผ่านรอบคัดเลือกอนะครับพอมาปีนี้ก็ได้ผ่านคัดเลือกเข้ามาอีกหนึ่งโปรเจกต์ก็คือตัวทาเดินในสวนที่จริงแล้วผมส่งไปสองโปรเจกต์นะครับก็ทา ม, มาทุกปีแล้วก็ ได้รับการตอนรับจากทางหน่วยงานเป็นอย่างดีครับลักษณะแบบนี้นี่คือที่มาที่ไปส่วนจริงๆลึกๆเลยก็คือว่าผมเห็นเขาประกาศในเว็บไซต์ผมก็เลยสนใจโดยปกติเลยเนี่ยมผมอาจจะชอบทางด้านกำจัดขยะพลาสติกกำจัดขยะพวกเศษหาในครัวเรือนอยู่แล้วแล้วก็หาวิธีการหาเครื่องมือมารองรับพวกนี้นะครับเป็นเป็นงานวิจัยที่สามารถทาเองได้ไม่คนโดยใช้คนไม่เยอะครับ แล้วขนานี้ครับค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ค่ะก็อยากที่จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการติดตามผลงานของอาจารย์แล้วก็นําผลงานของข อ, งองาจารย์ติดตามเผยแพร่ไปเรื่อยสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้อาจารย์สนุกอีกสักครั้งหนึ่งสําหรับประโยชน์แล้วก็ความคาดหวังขอ ง, ของอาจารย์เกี่ยวกับนวัตกรรมที่จาได้พัฒนาขึ้นบล็อกทางเดินในส่วนนี้ค่ะอย่างแรกเลยต้องขอบคุณผู้ดําเนินรายการและท่านผู้ฟังนะครับที่เอได้ให้ความสนใจ อย่างจริงจังตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนเริ่มต้นก็ทีหนึ่งละกันนะครับการคาดหวังของผมเลยก็คือว่าที่ที่ผมคิดคพัฒนาไปได้เรื่อยไม่หยุดยั้งเลยนะครับที่จริงแล้วผมอยากให้ประเทศไทยได้ได้เร็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในล้วนถึงเรื่ององค์ความรู้ต่างๆหน่วยงานรัฐบาลก็ดีมหาวิทยาลัยก็ดีเนี่ยยินดีนะครับที่ว่าอยากจะให้ความช่วยเหลือ โดยไม่คิดมูลค่าอะไรเลยในในลักษณะที่เรียกว่าบริการวิชาการนะครับทีนี้สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเลยเนี่ยที่ผมคาดหวังในใจลึกๆเลยก็คือว่าการสนับสนุนอย่างจริงจลงจากหน่วยทางภาครัฐนะครับยกตัวอย่างเช่นอบตอเทศบาลเ อ, อ่อเข้ามาคุยแล้วก็ลองทําดูแล้วก็กระจายไปตามหมู่บ้านนะครับซึ่งองค์ความรู้ต่างๆอย่างเงี้ยสามารถที่จะถ่ายทอดอย่างง่ายๆด้วยด้วยวิธี การใช้หลัก 3R อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้ลักษณะของ T D C A ก็คือการวางแผนนะครับการทำการเช็คแล้วก็การแก้ไขอย่างต่อเนื่อง<ข>อไปเรื่อยๆอยแล้วก็รับ ก, การสนับสนุนอย่างจริงจังนี่ละครับคือสิ่งที่ผมคาดหวังครับขอบคุณครับ ค่ะก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ทั้งสองคนนะคะที่ได้พูดคุยกันตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับอินโนเวชันที่มีชื่อว่าบล็อกทางเดินในสวนถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีข้อคําถามนอกเหนือจากที่เราพูดคุยกันอยู่นี้จะติดต่อสอบถามไปได้ที่ไหนอย่างไรคะอะมาที่ภาควิชาวิศวกรรมกรเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลมาติดต่อที่ภาควิชานี้ได้เลยครับถ้าถ้าถ้าะจะโดยตรงเลยก็คือเบอร์โทรศรัพท์ผมนะครับ อ า, อาจารย์วีรศักดิ์จันเรนนะครับศูนย์เก้าสามหกเก้าหนึ่งสี่เก้าหกสองยินดีให้ความรู้ทุกท่านครับ อ, อค่ะโอ้วันนี้ก็ได้พูดคุยกับอาจารย์แล้วก็ได้ความรู้ไปในการพูดคุยระหว่างนี้ด้วยนะคะเกี่ยวกับการผลิตการพัฒนาบลรอกทางเดินในสวนขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันใน Innovation for Life ในวันนี้และเราทั้งสองคนนะคะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟงังที่ติดตามมาฟังเราทั้งสองคนด้วย ขอบคุณการติดตามรับฟังนะคะวันนี้เวลาของทางรายการ Innovation for Life ก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันคุณกนิททองเงาพร้อมด้วยอาจารย์วิ ร, ร, รัสศักดิ์มูลเจริญนะคะอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการ Innovation for Life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 ได้บอกแล้ววันที่เธอได้บอกมาวัดถึงเวลาต้องไปมันยังไม่ทันเตรียมตัวยังไม่ทันได้เตรียมใจชีวิตที่ไม่มีเธออยากจะหยุดอยากจะชุดรางเธอเอาไว้แต่เข้าใจแล้วรักเธอเลยต้องยอมปล่อยเธอไปมันลําบากลกําบนทุกชนแทบไม่ไหว้ห้ามใจไม่ให้พบเจอ อ, อุตลับกับแตนนอนมันยังคงล้าเมื่อคิดถึงเธอทุกคืนใจมันทลาย ครั้งที่รู้ว่ามันคือเรื่องจริงตอนฉันเตื่นตอนแทบไม่ไหวมีเพียงสิ่งเดียวที่อยากขอเธอจำและเป็นสิ่งเดียวที่อยากขอยธอทำคือลื ม, ล, มลืมฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อน ชายแบบไหนจะได้ลงรักฉันไหม่อีกครั้งยังจำเรั่งรัวดีๆที่เรามีให้แกกันเหมือนฝันช่างประทับใจฉันจะจำทุกเม่จะเก็บทุกปานไว้ไม่มีวันลืมเธอยิ่งรู้ว่าเธอยังรักและยังเป็นห่วงกันมันทำให้ฉันเพ้อเจอ แทบไม่ไหวมีเพียงสิ่งเดียวที่อยากค่อยจะจำและมันสิ่งเดียวที่อยาคอยจะ